วินีตวัตถุเรื่องหญิงหมันต้องการมีบุตรหนึ่งเรื่อง295สมัยนั้นหญิงหมันคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปธรรมว่าพระคุณเจ้าทำอย่างไรดิฉันจึงจะมีบุตรภิกษุตอบว่าน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศพระคุณเจ้าอะไรที่เชื่อว่าทานอันเลิศเมถุนธรรม